นะที่ช่วยทําให้กายเนี่ยอยู่ได้ไม่เจ็บไม่ป่วยอันนี้เราคงตอบได้นะปัจจัยสี่ในบรรดาปัจจัยสีประการเนี่ยที่สําคัญมากก็คืออาหารแต่ที่จริงสิ่งที่ยังไม่ได้อยู่ในปัจจัยสี่แต่สําคัญกว่าอาหารก็คือน้ําและอากาศนะร่างกายคนเรา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 อันนี้จิตใจแะนะอะไรคือสิ่งที่จำเป็นหรือสำคัญสำหรับจิตใจอันนี้คนแต่ละคนก็มีคำตอบแตกต่างกันไปนะแต่ในความหมาองตมาเนี่ยถ้าพูดรวมๆแล้วเนี่ยจิตใจเราต้องการความสุขร่างกายต้องการอาหารต้องการน้ำต้องการอากาศ ส่วนจิตใจต้องการความสุขคนเราเนี่ยถ้ามีแต่อากาศมีน้ำมีอาหารมีอย่ารักษาโรคเครื่องนึ่งหม่มที่อยู่อาศัยแค่นี้มันไม่พอนะไม่พอเพียงที่จะทำให้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความหมาย เราทุกคนก็รู้ว่าเราไม่ได้ต้องการแค่นั้นนะอย่างน้อยๆเนี่ยชีวิตก็ต้องมีความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจด้วยพุทธศาสนาเนี่ยก็ให้ความสำคัญความสุขนะถึงแม้ว่าพูทศาสนาจะพูดถึงทุกบ่อยนะอย่างธรรมวัฒเช้านี่ก็จะมีอ่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 ยิ่งเจอทุกข์มาเท่าไหร่ยิ่งจเป็นต้องมีความสุขหรือหาความสุขให้เจออย่างพระองค์ตรัสว่าเนี่ยผู้มีปัญญานะแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบอันนี้เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของผู้มีปัญญาคือต้องหรือว่าสามารถหาความสุข แม้ประสบทุกข์ได้แล้วก็ควรจะหาให้เจอด้วยเพราะบางครั้งชีวิตคนเราเนี่ยนะมันก็มีความทุกข์นะผ่านเข้ามาแต่ถ้าเรามีความสุขเป็นเครื่องลอยเลี้ยงจิตใจนะมันก็ทำให้สามารถที่จะอยู่ได้ นี่ความสุขที่หล่อเลี้ยงจิตใจเนี่ยคนส่วนใหญ่นะก็นึกได้อย่างเดียวนะคือความสุขจากวัตถุส่วนใหญ่เลยเนี่ยพพูดถึงความสุขก็จะนึกถึงความสุขจากอาหารที่อร่อยเพลงที่เพราะหรือว่า บ้านที่สุขสบายรถราคาแพงหรือว่าวัตถุสิ่งเสพเทคโนโลยีต่างๆซึ่งก็รู้แล้วแต่ต้องอาศัยเงินแต่ที่จริงความสุขเนี่ยมันก็เหมือนกับอาหารนะนะ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 หรือคนบางกลุ่มนี่ก็กินอาหารประเภทนี้ไม่ได้นะเพราะกินแล้วนี่มันทำให้เป็นโรคหัวใจเนะอาหารพวกจังฟู้ดเนี่ยอาหารขยะแฮมเบอร์เกอร์อรพวกนี้ราคาก็ไม่เบานะแต่ว่าอย่างเงี้ยคุณภาพหรือประโยชน์ต่อร่างกายนี่อาจจะต่ำก็ได้เพราะว่าพอกินมากๆเขาก็ทำให้เจ็บป่วยโดยพาะยุค ป, ปัจจุบันที่มันมี อาหารพวกนี้มากอาหารเนี่ยมีทั้งคุณภาพดีและคุณภาพไม่ดีความสุขก็เหมือนกันนะความสุขก็มีทั้งความสุขคุณภาพต่ำและความสุขแบบหยาบๆกับความสุขที่ละเอียดประณีตตอนนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยก็รู้จักแต่ความสุขที่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 ไปที่ศาลานี้เนี่ยมันให้ความสว่างแล้วก็นวลแล้วก็ไม่มีอะไรที่มาทำให้ลรคายเครื่องกุนะจะเปรี่ยบความสุขจากวัตถุสิ่งเสพรหรือการมาสุขนะว่ามันนะเป็นสุขที่นะเจอไปได้วยทุกนะทุกที่ว่านี้ก็คือว่า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 ค่ำคืนล้วก็ก็ต้องคอยระว่นระวังเรามีรถคันราคาแพงยี่สิบล้าน1ิบล้านเนี่ยจอดตรงไหนก็ห่วงว่าจะมีคนมาขโมยไหมหรือว่าจะมีใครมาขูดขีดหรือเปล่าบางทีจอดไว้นานๆก็เกิดความกังวลว่าเดี๋ยวหนูจะมาทำรังไหมนะฮะ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 เบือ่ออยากจะได้ใหม่ต้องหามีหามีหามีอี ก, อกนะตอนแรกมีแค่แสนหามาได้จนได้จนมีเป็นล้านก็ยังไม่พอใจหาเพิ่มอีกจนเป็นสิบล้านก็ยังไม่มีความสุขไม่มีความพอใจต้องวิ่งหามีจนเป็นร้อยล้านได้ร้อยล้านถามว่าพอหรือยังไม่พอเพราะความสุขความดีใจที่ได้มามันชั่วคราวนะทีแรกก็ดีใจแต่สักพักก็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 คนที่เขามีปัจจัย4หรือปัจจัย5หรือปัจจัย10พังพร้อมแต่ถ้าจิตใจเขาไม่มีความสุขนะบาทีเขาก็ไม่อยากอยู่เหมือนกันคนที่ค่าตัวตายเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาจนนะเขาก็รวยพังพร้อมด้วยวัตถุมากมายแต่จิตใจเขาไม่มีความสุขขาดความสุขอ่าแล้ววัตถุสิ่งเสพที่เขามี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 มันมีความสุขอีกชนิดหนึ่งนะนะเป็นความสุขที่ประณีตกว่าประเสริฐกว่าความสุขช น, นิดแรกเป็นความสุขที่เกิดจากการมีการได้การเสพความสุขชนิดหนึ่งเกิดจากการได้ทำต่างกันนะความสุขจากการมีการได้การครอบครองเนี่ยกับนะความสุขที่เกิดจากการได้ทำ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 ไปทำประโยชนนะ์เช่นอาจจะไปซื้อสีสอนวาดรูปให้กับเด็กนะไปทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ด้วยเงินจํานวนนี้แหละแล้วเขาก็ให้แต่ละคนได้แสดงบันทึกความรู้สึกนะหลังจากที่ได้เอาเงินรนะ้อยนั้นเนี่ยไปซื้อหรือไปทำประโยชน์สุดแท้แต่ได้รับมอบหมายอย่างไรเราพูดกลุ่มหลังเนี่ยนะเขามีความสุขกว่า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 ก็อยู่ได้เพราะความสุขอาตมาพูดเรื่องนี้เนี่ยให้เพื่อนฟังนะเพื่อนเลยเข้าใจอ๋อทำไมพระนี่เขาอยู่กันได้นานๆกันหลายปีหรือว่าอยู่กันบวชเป็นพระได้ตลอดชีวิตทั้งนั้นที่ก็ไม่ค่อยมีวัตถุอะไรมากเนี่ยอันนี้เพราะเขามีความสุขความสุขใจเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงนะ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 ความสุขจากการทำงานความสุขจากการทำความดีอาจจะมันเกิดความสุขที่เราเรียกว่าความภาคภูมิใจความสุขวาชีตเต็มเต็มเปี่ยมหรือว่าชีตมันได้รับการเติมเต็มไม่ว่างเปล่าแต่ความสุขอยางภาวนาเป็นความสุขที่เรียกว่าความสงบนะผู้จัดแต่ว่าสุขอื่นเนี่ยความสงบไม่มีแต่ความสงบในที่นี้เนี่ยนะมัน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 ไวๆนี่ก็ยิ่งรู้สึกถึงช้ายิ่งอยากได้ก็ยิ่งไม่ได้ยิ่งอยากได้ความสุขก็ยิ่งไม่ได้หรือรู้สึกว่าอยู่ไกลนะต่อเมื่อวางความอยากลงนะต่อเมื่อวางความอยากนะความอยากในที่รวมหนึ่งความอยากให้ความสุขเกิดขึ้นหรือความสงบเกิดขึ้นพอวางความอยากปุ๊บนะความสงบหรือความสุขมาทันทีเลยนะ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 ไม่อยา่างแม้กระทั่งจะมีชีวิตดยซ้านะแต่พอะความสุขเนี่ยพอมีมันก็เลยหล่อเลี้ยงจิตใจให้ชุ่มชื่นแต่ว่าความสุขหลายอย่างหรือความสุขบางอย่างที่เรารู้จักเนี่ยมันทำให้ชุ่มชื่นชั่วคราวนะเหมือนกับน้าหวานเนี่ยน้ำหวานนี่กินเข้าไปนะ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 ออลคำนี้ก็พูดกัเท่านี้คลับ